หลวันนี้เป็นวองเริ่มต้นในการเรียสธรรมฐานม า, านมนเรียนกัญญาโยนสำหรับการเรียนพุทธารรมโดยทั่วไปฉบับแรกเหมือนกันทั้งหมดทุกหมดจะต้องทําเหมือนกันในตัวคือมือไปเรืองกามตายรายการมีสองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าประทำในพระอริยสง แต่การ 3, 25, กที่สามีสินค้าในกำหบด0ิ้นไสุดและแต่การที่หลังนิพพานจะไปอย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันและเป็นหลักสูตรทิบบรรดาในพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติเสมอทุกวันที่กล่าวมานี้เป็นอารมณ์อารมณ์คือตื่นขึ้นเชา้าให้มีความรู้สึกว่าความตายเป็นของไม่ ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตถ้าตายไปแล้วเราจะไม่ยอมไปอบาบัยภูมิที่ไปของเราคือนิพพานหลังจากนั้นก็จิตใจก็ไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาขั้นมาด้วยปัญญาในหมายความว่าต้องใช้ปัญญาเพื่อเชืญญ่อนาย ว่าพระพุทธเจากก้าคนดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีควรจะการที่เราจะบูชาไหมคําว่าบูชาแปลว่าการยอมรับนับถือบูชาไม่ใช่หมายตุกตอกไม้ทุกเพี้ยนเสมอไปไม่มีดอกไม้ทุกเพี้ยนก็ไม่เป็นไรดอกไม้ทุกเพี้ยนเป็นอามิสบูชาแต่ว่าคำว่าบูชาในที่นี้หมายถึงปฏิบัติบูชา ถ้าร ย, ยอมนับพระผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านหลังจากนั่นก็มาที่จะนาสิงห์กักรรมบทเสร็จสิงห์ห้ากรรมบทเสร็จที่มีความสําคัญพระองค์คนของพระโสดาบันสิลห้ากรรมบทสบมบูรณ์ว่าทางกายก็คือหนึ่งทางกายกรรม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผุดผิดในกรรมไม่ดื่มสุราเมีไรให้ทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พิถาชาวบ้านไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรำไม่คิดประทุษร้ายใครและก็เชื่อพระพุทเจ้าไม่ฝ่าฝืนคําสอนของพระองค์ ถ้าจิตใจทรงตัวยุ่แบบนี้ก็ถือว่าท่านังหลายมีทั้งสินห้ากันบดสิบก็ถวนถ้าทำได้กันสามได้การนี้นนนก็มีจิตคนิพพานไปที่ไปเป็นพิเศษถ้าทำได้อย่างนี้จิตทรงตัวแบบนี้ขึ้นชื่อว่าอบายะปุ่มไม่มีกับท่านต่อไปการทำบาปมาตำเนนการก่อนจะบาปประเภทไหนบ้างก็ตาม บากทั้งหมดไม่มีโอกาสนำเราไปลงโทษได้เธอไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปตตาสุริยกายเป็นสัตว์รีชานไม่อีกจะมีทางไปทางเดียวคือสู่สุขติสวรวค์บ้างพุทธโลกบ้างและไม่ผ่านนี่ว่ากันถึงอารมณ์ต่อไปก็ไปธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติขบันดาจำพุทธวิสัชน์อันดับแรกให้เข้าใจในนิวรห้ก่อน เพราะว่านิวรา์มาแต่งการเป็นเครื่องกั้นความดีที่พระเจ้าทรงแปลว่านิวรณ์คือกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังในความหมายความว่านิวรณ์ยักครอบคุมใจเราก็เป็นนไร้ปัญญาการจเจริญกรรมาฐานเพื่อมรรคผลต้องมีสารใดการร่วมกันคือมีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาผลต่างๆก็จะไม่เกิด พิ่วอนห่ารายการต้องไม่สนใจในมันวนอนอาราการก็คือหนึ่งกามาฉันทักมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรดอร่อยสัมผัสระหว่างเพศและข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจข้อที่สาความง่วงข้อที่สี่ฟุ้งซ่านเหลวไหลเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ ขณะที่ภาวนาอยู่หรือเจริญกรรมาฐานอยู่ก็จงอย่าให้นิวรณ์ห้ามแต่การในรับกอดใจมันก็ต้องมีบ้างในของธรรมดาแต่มีบ้างก็พยายามหรอกเมืม่อเลิกกรรมาฐานแล้วนิวรณนกวนใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าเวลาที่ดำซำทําสมาธิจิตต้องไ ม, ม่ยอมนิวรณ์โกลนใจถ้าขณะใดนิวรณ์กวนใจให้ทราบว่าเวลานั้นจิตเราไม่ได้สมาธิ สมาธิไม่มีแน่พระนิวรันเป็นตัวกิเลสหยาบกิเลสเขาแทรกใจขณะใดที่นิวรันไม่กวนใจขณะนั้นจิตเป็นปฐมฌานเป็นอย่างต่ำเกลือนความว่าเรื่องของนิวรันเราฆ่าไม่ตายจะตายก็เมื่อเราถึงอนาคามีนิวรันข้อหนึ่งกับข้อสองจะตายก็เหลืออีสามข้ออีสามข้อทั้งฆ่าในอาราตผล ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามียังไม่เป็นพระรหันก็พยายามระงับชั่วคราววิธีระงับนเยาวนก็คือว่าไม่สนใจกับพยาวน์ในความจริงทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่สนใจกับมันมันก็สนใจกับเราเป็นธรรมดาระดับแรกพิธีจะไม่สนใจก็รู้ลมให้ใจเขาออกอันนี้ต้องทําเหมือนกันญาติโยมจะเป็นกองไหนก็ตามก็ขึ้นต้นโดยลม ใ, ใจเขาออกเหมือนกัน ต้องรู้อจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขาออกเวลาให้ใจเข้าสั้นขณะหายใจเข้ารู้สึกว่าใจเข้าให้ใจยาวรู้สึกว่าให้ใจยาวให้ใจเข้าสั้นและยาวออกสั้นและยาวล้วก็ทราบอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเป็นสมาธิเบื้องต้นจะทรงตัวไม่นานเรารู้ลมเข้ารารู้ลมออกถ้าภาวนา การภาวนาดบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเ์การคืนไปนสู่กับวิปสัสสโกตอนนี้สอนไม่หนวดสู่กับวิสุขาร ว, วิปสัสสโกนี่คำอ่านายก็สุขกัวิปสัสสโกเบื้องต้นไม่จํากัดแต่ตอนกลางก็จํากัดเหมือนกันตอนกลางกตอนปลายนี้จํากัดในเบื้องต้นถ้าจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้อภุดโทก็ได้สัมมาหลังก็ได้ี่สุขโตก็ได้ หรือว่าอย่างทีง่ญาตโยมปฏิบัติยุบหนอค้องหนอก็ใช้ได้ไม่ภาวนาแต่รู้ลบเข้าหลบออกใช้ได้รวมความว่าคำภาวนานี้ไม่จํากัดถ้าไม่ชินมาก่อนขอให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธแล้ว่าถ้าคล้องแบบไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้แบบนั้นเป็นปกติถ้าขณะใดจิตใจรู้หลบไม่ใจเข้ารู้ลบไม่ใจออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากมีผน ในเมื่อจิตว่างจะตวิญวันอนดับแรกก็เป็นโอก็เป็นปฐมฌานแต่ว่าขณะที่จิตว่างจะว่างไม่นาสักประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์พุ่งสร้างเนี่ยเข้ามาก่อกกนถ้าอารมณ์พุ่งสร้างเข้ามาก่อโกนเพราแต่ ง, ง, งาาวัวนวิญวันเรื่องปนใจอันนี้เป็นของธรรมดาไม่ก็สร้างไปพักหนึ่งถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาวันวิวัยเรแทรกก็เริ่มรับรู้รไม่ใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปต้องทําแบบนี้นะ ไม่ใช่ว่าก็ชนะที่บอนได้ทันทีกันใดแล้เมืาา่อขณะใดระเผลอมันก็ย่องมาตอดใจก็มาขอธรรมดาด้้นสติใหม่เราขับมันใหม่อันนี้เป็นระยะเบื้องต้นทอทุกคนต้องทำตามนี้แต่สาหรับตอนนี้ไปก็จะขอเข้าบทกรรมฐ า, านกรรมฐานที่แนะนำในมหาติฐานท่านสก็ถือว่าจบไปแล้ว วันนี้ก็ขอแนะนําหมดทุกกระสินมีไม่ดีทุกคนเกิดเหาะไดยแย้แต่แย่แต่ต้งคราลังคาพังหมดเนี่ยจะออกพร้อมกันนะมันต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องดำเนนลังคาขึ้นไปฮะวันนี้ก็ต่อ น, นี้ไปก็จะแนะนําเรื่องกระสินคำว่าจระสินมีหลายคนคิดว่าเป็นกรรฐานที่มีความสาคัญเป็นลิสเซ่แต่ความจริงนะไม่จริงเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา เป็นกรมฐานนี่ทรงสมาธิธรรมดาแต่ว่าถ้าใครจะต้องการสุดเปรี้ยโชยได้ชนะเป็นโยวิชาสสงก็ดีอัเป็นปัญญานี่วิชาสสงก็ดีปัญญาหก็ดีต้องอาศัยกจสิ่ถ้าไม่อาศัยเจ้าสิ่งวิชาสสงก็เกิดไปได้อปัญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนกันจะถือว่าดีเป็นเบสิกก็ได้ แต่ว่ า, วาจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่ากรรมฐ า, านของอื่นนี้ไม่ได้เราถือว่าเป็นกรรมฐ า, านทรงสมาธิเช่นเดียวกันแปลว่าเกสินเป็นกรรมฐ า, านที่ทําง่ายง่ายกว่ากรรมฐ า, านกองอื่นเพราะเป็นกรมาานกรมฐ า, านหยาบกรรมฐานกองอื่นทําเฉพาะอารมณ์เราไม่มีเป้างไหวไม่ตัวยึดสําหรับเกสินนี่มีนิมิตเป็นตัวยึด มีภาพเป็นตัวยึดเราจิตจับภาพให้จิตท่งตัวในภาพคือเป็นกรรมฐานยากกว่าจึงได้ฌานเร็วกว่าและการทรงสมาธิได้ดีกว่าถ้าเราสามารถศึกษาเรื่องนี้ต์ได้แสดงนิสต์ต่างๆได้แต่อย่าเพิ่งแสดงกันนะเอาอย่างนี้ก่อนในตอนต้นนี้ยขอแนะนำให้ได้สุกาภสิโกจะพูดเรื่องให้เข้าใจเรื่องนิสบ้างแต่ว่าไม่สอนเรื่องนี้ ให้เข้าใจรู้จักใช้พระกระสินกระสินจริงๆมีสิบอย่างไม่ขอบอกแบบนี้เสียเวลาเปล่าวันนี้ก็เอากระมากระสินต้นคือปฐวีกระสินปฐวีกระสินนี่หมายถึงดูดินมีดินเป็นเครื่องหมายมีดินเป็นริมิดถ้าเขาจะใช้ดี เราจะให้เข้าปัตวีเราสินนี่และอดิษฐานของอ่อนให้แข็งอย่าอากาศ อ, อ่ อ, อนๆเนี่ยอดิฐานเพราะว่าในเมื่อเท้าเข้ามาเจ้าเหยียบไปตรงไหนก็ อ, อากาศตรงนั้นจงแข็งเหมือนดินอากาศตรงนั้นจะแข็งมัอนดินเราเดิ น, นอากาศได้ที่ไม่ใช่หอกต้องเดินถ้าเดินก็เจ้าวาอยูอย่ถ้าหอกก็เจ้าวาอยู่เราสินเนี่ยสินเฉพาะนะแล้วว่าการสแสดงฤทธิ์ได้กระสินกองสองกอ ง, สกองแสดงแสดงไม่ได้ถึกไม่ได้ ต้องได้ครบสิทธิ์ก่อนไม่บอกให้ทราบแต่นี้นะหรือว่าใครจะลองลงน้ําบางบริชษัทลงน้ํำไหมลนะ่ะแะวังมิถวแบบหลวงพ่อเข้าใจไหม <c oughs> อย่าเลยนะครูมิัว ไ, ไปแล้วรู้สึกต้องมิตตามนะ <c oughs> ถ้าอธิษฐานน้ําให้แข็งก็ได้ต้องอธิษฐานย่าพ่อจุดอย่าวันฐานวันน้ําทั้งหมดจงแข็งอันนี้จะไม่แข็ง มัเสียการเจราจรเข้าทำน้ำําตอนฐานเฉพาะวันน้ําที่ข้าพเจ้าจะเหยียบไปนี่ขอรงแข็งแม่มันจะแข็งแต่ว่าการแสดงฤทธิ์ประโยชน์น้อยพวกเวลาที่เราจะบรรลุมารผลเราขอย้อนมาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติในกรสิญเป็นของง่ายไม่ยากทําได้ง่ายๆแล้วก็ได้ง่ายด้วยถ้ามีความเข้าใจไม่ท้อถอยนะ ไม่ต้องขยันมากเกินไปใช้เวลาตามสมควรธรรมฐานทุกอ่อนจะมีการเหมือนกันเมื่อคือท่ารมเครียดขึ้นมาหรือว่าจิตฟุง้งซ่านมากเกินไปตอนนั้นต้องเลิก อ, อย่าฝืนเอาแค่พอจิตสบายกับสิ่งนั้นเดียวใครก็ศิ่งดินปฐมีกับสิ่งก็เพ่งดินเุน่งดินตามแบบแลระบอยทําสะดึงกว้างต่นนั้นยาวตอนนี้แต่ความจริงวิธีปฏิบัติไม่มีความจําเป็น เท่าที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วไม่จําเป็นแล้วตามอธิษฐาจารในเห็นบ่ตั้วว่าตอนใช้ดินเสียรุนอันนี้ก็ไม่จําเป็นเหมือนกันถ้าคืนห า, หาดินเสียรุนหาไม่ได้หรือไม่ต้องกางรกระสิงกันเวลาที่เขาปฏิบัติจริงเขาคว้าดินมาก้อนเนึ่งก้อนโตตามที่เขาต้องการเอาตามนี้นะเอาแบบปฏิบัติจริงๆงกันแล้วก็อาดินมาวางข้างหน้า จะไปวางบนหน้านะวางข้างนาใช่หมทำโต๊ะด้วยตังเข้าดินวางแล้วก็ลืมตาดูดินลืมตาพื่อจะจําภาพดินว่าละปั้นกลมแล้วไปแล้วบนรีแล้วเรียวแล้วยาวแล้วก็ชัางติดปันแต่ลืมตาดูดินตั้งใจจําดินตามภาษาวลีจะบอกแล้วก็หลับตาภาวนาว่วาประทวีกสินลัง แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะ แ, แปลว่าดินดินดินเฉยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายในพระตูกชายในช่างทองให้ดวงกระสินสีแดงแต่ว่ากระสินีแดงแล้วตาสาวลีลาโลหิตากระสินังที่ว่ากัะสินสีแดงแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยวาสีแดงสีแดงนั้นในใจว่าสีแดงเอาตามแบบง่ายๆก็นะเมื่อนําดินมาตั้งไว้ข้างนา ลืมตาดูดินลืมตาดูเฉพาะดินอย่าสนใจอย่างอื่นนอกจากก้อนดินที่เราตั้งไว้เน้ก็นึกในใจว่าปฐวีกสินดนังปฐวีกสินดังจำภาพดินอิ่าภาวนาจนท่าลืมภาพดินถ้าภาพดินมันต้องลืมแน่แลังจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพดินก้อนนั้น มันมึกเป็นภาพดินก็ น, นั่งจะภาวนาว่าปะเทวีกสินดังปะเทวีกสินดังสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพดินจะเลือนไปจากใจในเมื่อภาพดินเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดแูแล้วก็ภาวนาตามนั้นแล้วก็หลับตาที่เป็นภาพดินทาแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาเห็นถึงเวลาสมควรตามโบทีนี้พระไปบัตจันทรในประชาสมัยก่อนเขาทาแบบนี้นะ เอาก้อนดินใส่ที่ตั้งที่ตังก็ได้โต๊ะก็ได้กตามชอบใจไว้นอกห้องดินหน้ากุติแล้วก็จัดภาพตาที่กล่าววันแล้วมาดูไปมั่งลืมตาเมื่อภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ตเ ล, ลืมตาจาได้แล้วหลับตาใน้นเพิ่ภาพดินใหม่ทนอย่างนี้พอสบายใจก็ที่ตัวเองก็ลุกจากที่ดังเข้าที่นอน ตอนนี้ไม่ต้องมีดินไป็ที่หมายนึกถึงภาพดินนั้นแต่ภาวนา ว, ว่าปฏะบีร์กสิดนดาวพอจิตใจเริ่มฟุ้งซ่านอารมเครียดหนื่อยเลิกองอยากฝืนพอใจดีใหม่นึกใหม่ถ้าบังเอิญนึกไปนึกมาห่างดินจําเกิดภาพดินหายอีกนึกไม่ออกก็กลับไปนั่งข้างดินใหม่ทําแบบใ น, นสลัดกระไปแต่อย่าฝืนเราจะขยันมากเกินไปนะ ถ้าบันเทียเกินไปต้องเลิกหรือว่างนอนต้องเลิกนอนเสียอย่าฝืนทําอย่างนี้เป็นแค่สองสามวันทีหลังก็ไม่ต้องใช้ดินจะไป น, นั่งที่ไหนจะพาะเป็นพระเดินเป็นพิธารบัยก็ดีจะทําวัดสดมันก็ตามอะไรก็ตามภาพดินจะจับอยู่ที่ใจตลอดเวลาไว้ใจจะนึกถึงดินนะไม่จะภาพมันลอยนะ ใจนึกถึงภาพบินเ ล, เ ล, นลยใใเวลา เ, ว, เวลาสวดมนต์ภาพบินก็ปรากฏในใ จ, จ เ, วเวลาเดไปบนเดียมบาดภาพบินก็ปรากฏในใจจะเดินไปไหนก็ตามภาพบินก็ปรากฏนึกถึงภาพบินมาเลยเห็นชัดทุกปีนลกเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นไม่อยู่แต่จิตเป็นทิดเอาแค่นึกเห็นอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นอุกกหบาตมีนึกเรื่องตนเริ่มจะดีะถ้าเข้าถึงตอนนี้กําลังสมาธิจะเริ่มมีกําลังสูงขึ้น การทรงสมาธิจะเริ่มนานขึ้นหน่อยแต่ยังไม่นานมากมากขณะที่เห็นภาพดินขึ้นมาจะ ต, ต่อมาถ้ามีรมแ์แทรกมันต้องแทรกแนบอีกทีต้องเอากันแน่แทรกปดีจิตคิดึเรื่องอื่นขึ้นมาแทงก็ปักติดตัดกลับจับลมไว้ใจใหม่นึกขึ้นภาพดินใหม่ถ้าเดินการบางเอิน่นหลายๆครั้งมันเฟือก็ไปดูดินกันใหม่ทําแบบนี้จนให้จิตทรงตัว จที่จะนึกอะไรจิตเห็นภาพอินเมนั้นอย่างนี้นนนที่โอกาสในมิตทรงตัวเบื้องต้นส่งตัวโอกาสในมิตเขามันใมิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต่อไปถ้ากําลังสมาธิสูงขึ้นกําลังเขามีวอนอ่อนลงสมาธิส่งตัวจิตเรียกขึ้นมาภาพก็ในมิตเดิกเนี่ยกลายสี สีจะเริ่มกลายจะ ก, กลายจากภาพมิงค่อยๆเหลืองมาเทื่อยน้อยเหลืองทีเดียวไม่หมดก่อนเหลืองเพียงนิดๆหน่อยบางทีสองสามวันที่จะหมดก่อนภาพเหลืองชัดในเมื่อเป็นภาพเหลืองชัดขึ้นมาเที่ อ, องค์มิมิตรเริ่มก้าวเข้าไปสู่อันดับสูงขึ้นต่อไปได้กำลังใจสูงกว่านั้นภาพนิมิตรที่เหลืองจะ ก, กลายเป็นค่อยๆขาว ค่อยๆขาวจากลิมก็มาเรื่ยก็มาเรื่ยก็มาเรื่อยก็มาจอนัอนอนอ้นขาวบมดแต่ก็ยังขาวไม่สะอาดนะักถือว่าโอกาสนี้มีขั้นที่สามเกิดขึ้นแล้วมีหลายชั้นนะต่อมาต่อมาใ น, นเมื่อเราไม่เพิ่มปฏิบัติด้วยจิตเยืมกนะว่าปฏิบัติแค่สบายจิตทรงตัวมากขึ้นสมาธิดีขึ้นภาพแสง ส, สีที่ขาวจากเดิมจะขาวมากขึ้น ยังถึงเสื้อขาวเสื้ออาจที่สดุดแต่กําลังก้อนสีขาวจะเท่าดินเดิมอย่างนี้เ๋ยวกําลังอุอุประจาัสมาธิเขาปฏิวิจิตรีมากขึ้นแล้วแต่ยังดีไม่พอยังไม่เป็นกาลังวาริมิตต่อไปจับภาพสีขาวมาสดถ้ามันมีการทรงตัวบางทีก็ดำได้บ้ า, บางบางทีกเฟือไปบ้างากับการกําลังขอจิตคือกระสินนี่ดี ถ้าสีมัวลงไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีแสดงว่าจิตกัาเวลาในพวงเราไม่ดีให้เริ่มต้นวางอารมณ์เสียก่อนทิ้งกสินนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก่อนนึกถึงความดีพระเจ้ากระทำพระอริยสงฆ์นึกถึงศินบ่ให้บริสุทธิ์แล้วก็สางจะนั่ง น, นึกถึงชมหน้าก็มีวันใต้เจ้าตัวร้ายห้าตัวในคนใจชั้น นึกต่อไปว่าถ้าเรายังเกิดจุดเพียงใดความบริเวณใบใดเกิดแต่วตกก็ยังมีอารมณ์ทรงตัวก็ไม่มีอย่างนี้อารมณ์สว่างเตาทรงตัวมั่งไม่สว ต, ตัวมั่งมาเกิดเราก็มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการการเกิดจะนี้อีกเราต้องการนี้การพออารมณ์สม่บายได้จับกระสินใหม่คลิ้งขาวจองมันจะขาวสะอาดดีการขาวสะอาดดีมากขาวที่สุดสวยมาก แต่ยังดีไม่พอยังไม่เป็นกาลังอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อกำลังสูงขึ้นเรานึกในใจว่ามิติของกรสินนี้จะใหญ่ขึ้นมาก็จะใหญ่ตามใจเรานึกให้ใหญ่ขนาดไหนพาดมิติใหญ่ขนาดนั้นต้องการให้เล็กค่อยๆเล็กลงไปก็จะค่อยๆเล็กลงไปนงจนกว่าเราจะบอกว่าหยุดเลิกเล็กต่อไปอยู่ขึ้นสูงมันเหนือที่สั ภาพนี้ก็ขึ้นไปสูงให้อยู่ข้างหลังยนตหน้าอยู่ข้างซ้ายยนต์ขวาเป็นไปตามเราชอบอย่างนี้ถือว่าเป็นอโอ ก, ออกาสในนิตเต็มอัตราไม่แค่ อ, อาุาสนิดเมื่อกี่ชั้นเนื้อจำไม่ได้จะพูดไปเต็มอัตราจุดแต่ยังไม่เต็มที่นะยังไม่เต็มที่ข้ะสิ้นถ้าภาพใิมิตเต็มอัตราขนาดนี้เขอุอกาสนิมิตเราสามารถฝึกคิดวิญญาณได้วิชาสาม เราจับภาพกสินให้ชัดเจนตามกำลังหลังจากนั้นถ้าเราคิดอยากเห็นนรกขมไหนเห็นได้หมดอริษฐานกิจาขอภาพกรสินจะหายไปภาพนรกจี่เกิดขึ้นอะไรก็ตามได้ไม่ได้หมดธุราะเราอธิฐานจะเห็นชัดเกนจนแจําใสถ้ากระสินแต่ก็ก็ถือว่ายังดีไม่พออุปจารสมาธิโมปจารชาน อุปจาระสมาอุนดาระนนิมิตเี่เป็นอุปจาระสมาธิเป็นอุจาระฌานยังไม่ถึงฌานจเจริญภาพขาวใสสวยใหญ่ได้เล็ดได้อยู่สูงได้ต่ำได้ข้างหน้าได้ข้างหลังได้ทั้งยิ่งคล่องโดยคล่องจริงๆนิมิพับเป็นไปตามเราต้องการทำดีทันใดอย่างนี้ถือเ ป, อป็นโอกาสนิมิตเต็มที่จิตจะทรงตัวจะมีร่มสบายมีวันจะกลใจยากการทรงสมาธิจนดี ถ้าภาคได้ภาคขนาดนี้ท่านที่ฝึกมโนยิธิได้แล้วนะใจใช้ปิพุญาณได้ดีมากแล้วก็จะทรงกําลังจะทรงเวลาตามความต้องการนี่เป็นพื้นฐานใหญ่แต่ว่าความจริงมโนยิธิมีเป็นผลกสิญญ์แล้วนะเราฝึกกสิญญ์เพป็นช่วยกําลังกสิญญ์เป็นตัวต้นมโนยิธิเป็นผล เราได้ผลแล้วก็กลับมาฝึกต้นใหม่เรื่อการส่งทานส่งสมาธิให้มัีกำลังสูงขึ้นต่อไปกับความเสร็ิมความสวยความขาวก็ไิ่มิดจะเริ่มขยายตัวเราไม่เลิกเรายังไม่เลิกความขาวจะเริ่มใสเป็นแก้วจะใสขึ้นมาทีละหน่อยจะหน่อยอะไจนถ้าใสเป็นแก้วทั้งดวจะไปเรียบร้อนนะแก้วันเดียวเสร็จตาม น, นี้ไม่ได้ ผลสุดใเป็นแก้วทั้งวงใสมากแม้แก้วสะอาดดีแล้วแก้วใสต้องการในเล ก, ก็ได้ใหญ่ก็ได้โตขนาดไหนก็ตามก็ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อุปจาระสมาธิเป็นปฐมฌานในขณะนั้นเราต้องสังเจตวันหนึ่งวิตกเรายางังมีสองวิจารมีปีติมีสุขมีเอกตามีเพราะตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องเลย ใช่ไหมข้างว่าหลวงพอไม่ชาจะมีองค์ห้ามีตกมีตกก็คือนึกนึกเรานึกว่าจะดูภาพกระสินนึกจะรู้ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกถ้าเพีไม่ได้นะถ้าเพียงลมหายใจเขาออกเหลวหมดนึกว่าจะรู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้ทั้งเรียบีตกมีใจหมายความดูภาพกระสินเห็นชัดไหมตามต้องการ ตัวภาวนาชัดเจนแจ่มใสไหมลมใจรู้ลมใจเข้าไปออกไหมอันนี้ต้นโจทย์จัยให้อ่านหนังสือเฉยจๆจะไม่เข้าใจปีติในเมื่อภาพกระสินเกิดขึ้นเรามีความอิ่มใจจะมีความเพลิดเพลนมีเกลือตัวปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นภาพกระสินสวยขึ้นจิตมีความสุขนีเพลิดเพลสุขต่อไปก็เอกตารลมจิตรักภาพกระสินจุดเดียวไม่คิดอื่ไม่คิดเรืงอื่น ขนาดใดที่ไม่คิดเรื่องอื่นพอใจเฉพาะพระองค์สนอย่างนั้นเวลานั้นเป็นเอกาตารม์แต่เอกาตารม์ก็เป็นขั้นอุปจาระสมาธิแอะปานามาสมาธิอัปานามาสมาธิก็คือปฐมฌานนี่แหละพูดไปถึงสีใสเท่ากับปฐมฌานแล้วนะั้นแต่รมห้าอย่างรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ยังรู้ภาวนาก็ยังภาวนาวอย่าง้ไม่ต้องพูดกันอย่างนี้เป็นปฐมฌาน ถ้าภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจก็ออกไปด้วยจับภ้า ก, าก็หิ้งไปด้วยนำมาเข้าภาวนาหยุดเฉยๆภาวนาหายไปลมหายใจก็ออกจิต ก, ก็เริ่มไม่สนใจแต่ว่าก็าามันก็ยังให้ใจอยู่ตอนนี้จัดว่าเป็นฌานที่สองนี้ต่อไปต่อฌ า, านที่สองยังเหลือปีติ ก, กับสุขเอกรตาสามอย่าง ต่อไปตัวปีติความอิ่มใจหายไปเลยที่ตัวสุขเยือกเย็นตัวเดียวก็เอก ต, ตาหลวงก็จะแน่วตจิตแน่วแน่นรักในภ้าปกสินทรงตัวมากเห็นผ้าประสินสวยสดงามไม่นึกถึงอะไรหมดจิตวางเฉยมีความสุขสดชื่นตาผ้าประสินก็ชัดเจนแจ่มใสมากอย่างนี้เป็นชานิสารชาณิษฐานนี่ให้สังเกตว่าร่างกายนั่ ง, งเฉยมันจะมีการเครียดเหมือนกับเราไฮมัดให้ตัวตึง แล้หูยิงเสียงเบาลงต่อไปไปถึงชายสีผ้ากระสินยักแพรวสายสะอาดมากแล้วก็อารมณ์จะตัดลมหายใจเข้าออกจะไม่รู้สึกว่าให้ใจเข้าใจออกหูจะไม่ดีเสียงอะไรเลยมันหมายความว่าไมาเสียงเท่าไทยก็ดีเสียงพุเสียงอะไรก็ตามไม่เสียงปืนใหญ่เราตามจุดยิงใกล้ได้จุดใกล้เราจะไม่ได้ยิงในจุดตั้นปัญญาของชานนิสี ถ้าเข้าถึงทานในสิ่งนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าฝึกกัอภิญญายต่อไปจะไม่ต้องฝึกน้ําเวลามจะหมดรองความาว่าของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการที่จะฝึกกสินที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งสิบกรสินนะแล้วก็บรรดาญาติโยมทุกคนก็ไม่จํากัดไจะต้องปฏิบททัติอัแต่ปฏิบิตกสินเป็ต้นไปถ้าจบสิบกระสินแล้วชอบใจกระสินไหนทําได้เลย สำหรับตวีเราสิงนื่องได้ทุกเขาเรียกว่าทุกจริตเจริญอะไรก็ทำได้ไม่ไขัดข้องไป็ระสินกลางเป็นกรรมฐานกลางตอนนี้ในเมื่อเราได้ฌานสีแล้วตอนแรกเราฝึกในด้านสุขสภาพเป็นสโก่เราฝึกวิปัสสนาญาณไปในตัวโดยไม่ต้องหาอะไรมาเอา น, นี้นกระสินเป็นวิปัสสนาญาณขณะใดที่เราแทบกระสินทรงตัวอยู่มันจะทรงไม่นานนักขนาดนั้นเป็นสมถนะภาวนา ขาะใดที่จิตเครื่อนนิดหนึ่งพระกสิณหายไปแล้วก็คิดว่าชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเช่นพระกสิณ น, นี่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อในทามกางมีการฉลายตัวในที่สุดมันเป็นจริงทุกกาลน้ำตาแต่ทีตัวนี้เป็นปภัชนาญาเพื่อจับตามนี้ก็แล้วกันนะลงความว่าเวลาไม่ใช่หมดหรือเวล า, าขึ้นนาทีก็ข อ, ขอสึกว่าวันนี้ขอแนะนําั่นคืสิ่งใี่บรรดาท่านพระตุภิษัท ขอจะนำไปปฏิบัติเพื่อกําลังของสุขภพเสกโกเรื่องจะฝึกเรื่องฤทธิตามจริงก็ไม่อยากจะค้านแต่ว่าขอแนะนําว่า่วงเวลาบรรลุมรรคผลแต่ว่าใครจะลองก็ได้แต่มื่จบสิบกสินเราจะแนะนําให้นะฝึกเหาะก็ได้นะถ้าถึงวาง่าโยก็นักฝึกเหาะเหาะลงก่อนขึ้นแล้วขับก็โดนลงใช่ไหมเอย อันดับแรกเครื่องความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธวิษัยการแนะนำกาหมดแค่จะมีข้หมูลเวลาพอดีตอนนี้ไปข้าพนันจะหลายตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานและกรรมฐาน